ท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรม ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราชสอง6้าสหเป็นวันแรมส5บห้าค่ำเดือนสี่เป็นวันพระวันธรรมวสฒนะวันฟังธรรม การฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอตามการตามเวลาพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระบ า, ะบาลีที่ได้จาดไว้ว่ากาเลนะธรรมัวสวนังเอตัมมังกมุวตมั ง, ก, มามงการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะการฟังธรรมนี้จะสามารถทำให้ผู้ฟังธรรมบรรลุธรรมได้ดังในสมัยพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นในแต่ละครั้งที่ทรงแสดงก็มีผู้ที่ฟังธรรมได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันต์ มีเป็นจำนวนมากมายเหตุที่ปรากฏเหตุการเหล่านี้ขึ้นมาได้ก็เนื่องจากว่าผู้ที่แสดงธทมคือพระบรมศาสดาก็เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสิ่งที่ทรงแสดงก็ล้วนแต่เป็นความจริงล้วนๆผู้ฟังก็เป็นผู้ที่สสทรงศีลทรงธรรมเป็นผู้ได้รักษาศีล มีสมาธิเป็นนักบวชและเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นเวลาฟังธรรมเวลาฟังธรรมก็ฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความจริงใจใจจะจดจอ่อรับฟังกับกระแสธรรมที่มาสัมผัสกับใจโดยที่ไม่ปล่อยให้ใจนั้นสายไปสายมาสู่เรื่องราวต่างๆเมื่อฟังธรรมในลักษณะนั้น เมื่อมีทั้งสมาธิเป็นเครื่องรองรับมีศีลเป็นเครื่องรองรับการบรรลุธรรมจึงเป็นไปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าฟังแบบที่ไม่มีศีลอยู่ในใจไม่มีสมาธิอยู่ในใจคือใจนั้นไม่ได้ตั้งใจฟังฟังไปได้สองสามวินาทีก็แวบไปคิดเรื่องอื่นแล้วไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ แล้วสักครู่ก็ค่อยกลับมาฟังใหม่ฟังได้สักสองสามวินาทีก็แว บ, บไปอีกแล้วถ้าฟังแบบนี้แล้วย่อมไม่มีการติดประติดประต่อของธรรมที่แสดงความเข้าอกเข้าใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นเหมือนกับเวลาที่รองน้ําจากก๊อกน้ําใส่แก้วถ้ามือเราไม่นิ่งมือเราส่ายไปส่ายมาน้ําที่ไหลออกจากก๊อก ก็จะไม่ไหลเข้าสู่แก้วน้ำได้ตลอดเวลาน้ำก็ต้องมีการหงหลือไหลทิ้งไปฉันใดการฟังธรรมก็เป็นเะนั้นเหตุที่การฟังธรรมในสมัยพุทธกาลนั้นมีการบรรลุผลบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากก็เกิดจากที่จิตมีสมาธิจิตแน่วแน่ตั้งมั่น ไม่ได้สายไปสายมาทําทุกบุตรทุกบาทที่แสดงออกมาจึงไหลเข้าไปสู่ใจได้หมดเมื่อไหลเข้าไปได้หมดครบบริบูรณ์ก็การฟังด้วยเหตุด้วยผลก็จะครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องได้เมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะสามารถนำไปแก้ไขมิจฉาทิฐิ ความเห็นผิดที่มีอยู่ในใจได้เช่นในใจของพวกเราทุกคนนั้นจะมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ด้วยกันทั้งนั้นคือความเห็นผิดนั่นเองเห็นผิดอย่างไรเช่นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเราว่าเป็นเราเป็นของของเรา เมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็จะเกิดมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งต่างๆก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการสูญหายไปก็เกิดความทุกเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นเพราะว่าไม่เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วย มาสัมผัสด้วยว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรเราไม่เคยคิดเคยฟังไม่เคยคิดเคยเตือนสติกับตัวเราว่าสิ่งต่างๆนั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้นแน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้เป็นไป ตามที่เราต้องการได้เสมอไปแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังทำแล้วเราก็จะได้ยินเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปยึดไว้ได้เมื่อฟังแล้วเราเกิดความเข้าใจเราก็จะปล่อยวาง คือแทนที่เราจะไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่หรือที่เรากำลังจะไปมีมาครอบครองเราก็ต้องรู้ไว้ก่อนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ต้องไปถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ยึดไม่ติดเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับสภาพดังกล่าวเมื่อเป็นหลังนั้นแล้วใจของเราก็ไม่ทุกข์เนี่ย นี่ก็เป็นเพราะว่ามีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่อยู่ในสภาพที่จะเรียกได้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเรานี่แหละคือเหตุที่ทำให้คนในสมัยพุทธกาล หลังจากที่ฟังเทศัธรรมแล้วก็เกิดบรรลุธรรมขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเพราะว่าฟังด้วยสติด้วยสมาธินั่นเองแลวเมื่อรับทราบถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าถึงสภาวะธรรมความเป็นจริงของของสิ่งทั้งหลายสัจธรรมความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเมื่อรู้จริงอย่างนั้นแล้ว ก็ไม่มีใครกล้าฝืนเหมือนกับเวลาที่เราจับงูพิษอยู่กับมือของเราแต่เราไปคิดว่าไม่ใช่เป็นงูพิษเราคิดว่าเป็นปลาไหลเราก็ไม่เกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้ามีใครที่เป็นผู้รู้เรื่องงูมาบอกเราว่างูที่คุณจับนี่เป็นงูอันตรายงูพิษที่มีอันตรายมากถ้าเกิดกัดเข้าไปแล้ว มีทางแต่มีแต่จะตายลูกเดียวเท่านั้นถ้าทราบอย่างนั้นแล้วรับรองได้ว่าจะไม่กล้าจับไว้กับตัวเองจะต้องรีบปล่อยโยนทิ้งไปทันทีเพราะว่าถ้าเผลอพลาดหลุดมือไปเมื่อไหร่ก็จะต้องถูกงูนั้นกัดตายได้ชั้นใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเชนั้นไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญกามาสุขก็ตาม ก็ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นมีเงินทองไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขเมื่อเรามีเงินทองเราก็กลายเป็นคนที่จะต้องติดเงินทองอาศัยเงินทองเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราถ้าวันใดไม่มีเงินทองเราก็มีความทุกข์แล้วเช่นวันไหนอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกไปซื้อข้าวซื้อของแต่ไม่มีเงินทอง นี่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วหรือตําแหน่งต่างๆก็เช่นกันเวลาเรามีตําแหน่งสูงๆเราก็มีความสุขเราคิดว่าเราเรามีความสุขแต่ในขณะเดียวกันภายในใจของเราก็เริ่มมีความวิตกกังวลว่าไม่รู้ว่าตําแหน่งนี้จะอยู่กับเราไปนานสักเท่าไหร่จะถูกเขาโยกเขาย้ายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ และในที่สุดเมื่อถึงเวลาคือเมื่ออายุครบเกษียณราชการครบอายุหกสิบปีตำแหน่งสูงขนาดไหนเขาก็เอาคืนไปไปหมดเขาไม่ให้เราเก็บไว้อีกต่อไปแต่ถ้าเราหลงยึดติดเวลาที่เราไม่มีตำแหน่งนั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกต่ำต้อยรู้สึกมีไม่มีคุณค่าในตัวของเรานี่ก็เป็นพาะความหลงที่เราไปยึดไปติดกับสิ่ง ที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดนั่นเองดังนั้นจึงเราจึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วพยายามอย่าไปยึดอย่าไปติดมีได้เพราะคนเราทุกคนเกิดมาอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ว่าเวลามีนั้นขอให้มีสติมีปัญญารู้จัก ปฏิบัติกับสิ่งนั้นๆอย่าไปหลงยึดติดอย่าไปอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่กับเราไปตลอดนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เกิดความรู้สึกว้าวุ่กวนกังวลใจในขณะที่มีอยู่ก็ไม่ห่วงในขณะที่สูญไปก็ไม่เกิดอาการเสียดายเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นสภาพ <c oughs> ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน <c oughs> แต่คนฉลาดนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็จะนำสิ่งที่ตนเองมีอยู่นั้นมาทำคุณทำประโยชน์เช <c oughs> ่นมีร่างกายนี้เราก็รู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยง <c oughs> เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุด เราจะใช้ร่างกายนี้มาทำอะไรดีล่ะจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ได้จะทำในสิ่งที่เป็นโทษก็ได้อยู่ที่เราแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าการกระทำของเรานั้นมีคุณหรือมีโทษอย่างไรเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังทำไม่เคยศึกษานั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเข้าหาพระศาสนาเพื่อที่เราจะได้ศึกษาให้รู้ว่า การกระทําของเรานั้นทําอย่างไรถึงจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ทําอย่างไรถึงจะเป็นโทษพระพุทศสาสนานี้จะสอนว่าการกระทําที่เป็นโทษก็คือการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขทั้งหลายเช่นการเสพจุรายาเมาการเล่นการพนันการคบคนชั่วเป็นมิตรความเกียดทรานและการเที่ยวกลางคืน สิ่งเหล่านี้ถ้าทำไปแล้วมีแต่จะทำลายชีวิตของเราในเบื้องต้นก็จะดูดทรัพย์สินเงินทองของเราและในขณะเดียวกันก็ทำให้เรากลายเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้บำรุงบำเรอเราจึงจะมีความสุขถ้าวันไหนเราไม่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้เราก็จะมีความทุกข์ เป็นเหมือนคนที่เสพยาเสพติดคนที่เสพยาเสพติดนั้นวันไหนถ้าไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วก็จะต้องมีความทุรนทุรายมีความทุกข์นี่ก็คือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจของเราที่จะนําไปสู่ความหายนะเพราะเมื่อทําไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะทําให้เราไปกระทําบาปกรรมต่อไปเช่นไปลักทรัพย์ ไปประพุดผิดประเวณีไปพูดปลดมดเท็นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นคนที่เล่นการพ น, นันเมื่อเล่นไปแล้วเกิดการเสียเป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินทองของตัวเองที่จะต้องเอาเอาเงินทองไปใช้หนี้เขา <_' S 1> ก็ต้องไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นขอยืมเงินขอยืมเงินทองเขาแล้วบอกว่าจะเอาไปใช้เขาทีหลัง ทั้งๆ ท, ที่ตัวเองนั้นไม่มีปัญญาที่จะเอาไปใช้เขาได้นี่ก็ไปทำผิดศีลแล้วแล้วถ้าไปข อ, อยืมเงินทองเขาไม่ได้ขั้นต่อไปก็ต้องไปลักทรัพยนะ์เมื่อไปลักทรัพย์เกิดมีการต่อสู้กันเกิต้องมีการฆ่าสั์ตัดชีวิตทำร้ายชีวิตกันนี่ก็คือลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอบายมุกเนะี่จะนพานพาไปสู่การทำบาป ท, ทำกรรมต่อไป เมื่อทำบาปทำกรรมแล้วผลก็มีปรากฏขึ้นมาทันทีคือใจก็จะมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัว <c oughs> และเมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายนี่คือวิธีการใช้การใช้ชีวิตที่ไม่ถูกทางนั่นเองทำ ใช้ชีวิตของเราที่มีคุณค่าอย่างยิ่งไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไปในทางที่เกิดโทษเพราะไม่รู้ถึงโทษของการกระทําเหล่านี้แต่ถ้าได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างสม่ําเสมอ mm hmm. ก็จะได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้อยู่อย่างสม่ําเสมอ mm hmm. ก็จะทําให้ไม่ลืม mm hmm. เมื่อไม่ลืมเวลาที่จะคิดจะทําสิ่งเหล่านี้ mm hmm. ก็จะมีสติ มีปัญญาคอยยับยั้งคอยบอกคอยเตือนว่าอย่าไปทำ <c oughs> และถ้า <c oughs> และถ้ายังไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปกระทาสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมาฝึกทำสมาธิกันเพราะสมาธินี้จะเป็นเครื่องเบรกใจเวลาที่ใจอยากที่จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ถ้าเราฝึกฝนมีสมาธิอยู่ในใจเราเราก็จะสามารถเบรกเบรกใจของเราไม่ให้ไปกระทาสิ่งที่เป็นโทษได้เพราะเวลาที่เรามีสมาธินั้นใจเราจะหยุดนิ่งใจเราจะสงบใจจะเย็นใจจะมีความอิ่มใจจะมีความพอ <S <S 1> <S 1> เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาเกิดความคิดที่อยากจะออกไปเที่ยวกลางคืนอยากไปเสพชุรายาเมา ก็จะมีปัญญาที่จะมาบอกว่าทำไปแล้วนั้นมีแต่โทษตามมาไม่มีคนไม่มีคุณเลยเนะแล้วเมื่อมีปัญญาและมีสมาธิก็จะสามารถยกเลิกความคิดนั้นได้แล้วก็จะไม่ไปทำตามความคิดนั้นนั้นแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิยังไม่ได้ฝึกทำจิตให้สงบ ทำจิตให้นิ่งเวลาจิตมีความคิดที่จะไปกระทำสิ่งที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่สามารถยับยั้งได้เพราะจะถูกกํำลังของตัณหาความอยากนั้นผลักดันให้ไปกระทำนั่นเอง <c oughs> ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้รู้ถึงโทษให้รู้ถึงคุณ เมื่อกี้นี้พูดถึงโทษของการกระทาตอนนี้จะพูดถึงคุณของการกระทาบ้างชีวิตของเราก็มีเวลาที่เราจะสามารถนำชีวิตของเราไปสู่ที่ดีได้ด้วยการกระทาที่ดีเ mm hmm. ช่นในเบื้องต้นเราก็ต้องขยันทำ ม, มาหากินด้วยความสุดเจริญเพื่อที่จะได้ มีเงินทองมาเลี้ยงดูปากท้องของเรามีประมีมีปัจจัยสี่ไว้ดูแลรักษาร่างกายชีวิตของเราให้อยู่ไปได้โดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและเมื่อเรามีเงินทองที่เหลือใช้เราก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือมาช่วยเหลือผู้อื่นในเบื้องต้นก็นมาดูแลผู้ที่มีพระคุณของเรา คือบิดามารดาครูบาอาจารย์ทดแทนบุญคุณของท่านหลังจากนั้นก็ดูแลผู้อื่นต่อไปเช่นสามีภรรยาบุตรธิดาญาสนิคมิตรสหายรวมไปถึงสมณะชีพรามทั้งหลายหรือผู้ที่เดือดร้อนทั้งหลายถ้าเราทำอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลบุญก็คือทำให้ใจของเรา มีความสงบมีความเย็นมีความอิ่มเพราะว่าการกระทาชุดการช่วยเหลือผู้อนนี้เป็นการเข้าไปขัดเกลาสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจคือความเห็นแก่ตัวความตนีความโลภถ้ามีความโลภความตนีความเห็นแก่ตัวอยู่ภายในใจ ใจก็จะมีแต่ความเศร้าหงองมีแต่ความหิวความอยากมีแต่ความวุ่นวายใจเพราะไม่สงบนิ่งนั่นเองแต่ถ้าเรานําทรัพย์ที่เรามีอยู่นี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการทําบุญทําทานเป็นการเสียสละใจของเราก็จะสงบลงเพราะว่าได้ชนะความตณี ได้ชนะความโลภได้ชนะความเห็นแก่ตัวเมื่อสิ่งเหล่านี้เบาบางลงไปหรือสงบตัวลงไปใจของเราก็มีความสุขขึ้นมามีความอิ่มขึ้นมาหนังที่ท่านทั้งหลายคงได้สัมผัสทุกครั้งที่เวลาท่านทำบุญทำทานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นท่านจะมีความรู้สึกเย็นใจสุขใจบางครั้งก็มีความปิติขนลุกซ่าขึ้นมา ถ้าทำในสิ่งที่ท่านไม่เคยคิดจะทํามาได้มาก่อนเช่นเสียสละในสิ่งที่ท่านหวงที่ท่านรักแต่ท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านหวงท่านรักนั้นถ้าให้กับผู้อื่นเขาไปแล้วจะเกิดคุณจะเกิดประโยชน์มากกว่ามีเก็บไว้กับตัวเองเช่นบางครัง้งบางคราวเราอาจจะไปเห็นคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีใครดูแลรักษา เรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเราเคยคิดว่าจะเก็บไว้ไปซื้อหรือไปเที่ยวแต่เมื่อมาเห็นคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเราก็เกิดความเมตตาเกิดความกรุณาขึ้นมาเราก็ตัดใจว่างเงินก้อนนี้เมื่อก่อนคิดว่าจะเอาไปเที่ยวเอาไปซื้อเสื้อผ้าก็ขอสลับนี้ช่วยเหลือให้เขาได้มียารักษาโรค ได้มีหมอรักษาเขาให้เขาหายจากโรคถ้าเราทําอย่างนั้นได้แล้วใจของเราจะเกิดความรู้สึกปิติขึ้นมาบางครั้งอาจจะน้ำตาไหลหรือขนลุกซาขึ้นมาก็เป็นได้เพราะนี่คือเรื่องของใจเรื่องของบุญกุศลเมื่อได้ไปสัมผัสกับใจแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเพราะว่าเครื่องเศร้าหมองเช่น ความตนันีความเห็นแก่ตัวความโลภความอยากได้ต่างๆในขณะนั้นจะถูกทำลายไปเปรียบเหมือนกับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายทำให้มีอาการเจ็บปวดมีไข้อยู่ในตัวถ้าได้รับประทานยาที่ถูกกับโรคเข้าไปก็จะทำให้ไปทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายให้หายหมดไป เมื่อไม่มีเชื้อโรคอาการเจ็บปวดอาการไข้ในร่างกายก็จะหายไปฉันใดบุญกุศลนี้ก็เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคใจเรียกว่าเป็นธรรมโอสถนะเมื่อมีธรรมโอสถเข้าไปสู่ภายในใจก็จะทำให้กิเลสตัณหาซึ่งเปรียบเหมือนกับเชื้อโรคของใจ ตัวที่ก่อกวนสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจนั้นให้สลายหายไปเมื่อไม่มีกิเลสตันหาเครื่องเศร้าหมองอยู่ภายในใจความเศร้าหมองที่มีอยู่ในใจก็จะหมดไปใจก็จะสงบเย็นอิ่มสบายนี่แหละคือเรื่องราวของจิตใจมันตรงกันข้ามกับเรื่องราวของร่างกาย คือร่างกายจะต้องมีอาหารเข้าไปเราถึงจะมีร่างกายถึงจะมีความอิ่มได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจสละอาหารมือดีให้กับผู้อื่นไปแทนที่ใจจะหิวใจกลับมีความอิ่มมากกว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะมีความหิวอยู่บ้างแต่อดข้าวเพียงมือเดียวนั้นมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถึงกับตาย แต่ใจที่อิ่มนั่นแหละมันจะทำให้ไม่เกิดความรู้สึกว่าหิวข้าวเลยในในวันนั้นไม่เชื่อลองทำดูสักวันหนึ่งเกิดวันดีคืนดีกำลังจะรับประทานข้าวพอดีไปเจอขอทานคนที่ไม่มีข้าวกินอดสู้พอมาแล้วเราตัดสินใจสละข้าวมื้อ น, นั้นให้กับเขารับประทานไปถึงแม้ ว, ว่าร่างกายของเราจะหิวบ้างแต่ใจของเรานั้น จะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความปิตินี่แหละคือเรื่องราวของใจของเราถึงจึงนำมาสู่การสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราละให้เราเสียสละไม่ได้ให้เราสะสมกันเพราะว่าการสะสมนั้นเท่ากับเป็นการสะสมกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองให้มีมากขึ้นไปในใจไม่เชื่อเราลองไปถามเศรษฐีดูว่า เขามีความสุขมากน้อยเพียงไรในใจเขาใจของเราใจของเขาจะมีแต่ความวุ่นวายมากขึ้นไปเพราะเมื่อมีทรัพย์มากก็ต้องมีภาระมากจะต้องคอยดูแลรักษาเพราะคนเราเมื่อมีทรัพย์ก็ต้องห่วงต้องห่วงความห่วงความห่วงนี้มันก็จะทําทให้ใจไม่มีความสุขแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราสละทรัพย์เราสละสิ่งของที่เกิดความจําเป็นสิ่งที่เรา ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ต้องอาศัยมันเมื่อเราสละมันไปได้สิ่งนั้นมันก็พ้นไปจากความรับผิดชอบของเราเราก็สบายใจเช่นสมมติเรามีรถอยู่สักสาคันเราคนเดียวเราขับรถคนเดียวก็ขับได้คันเดียวเท่านั้นเวลาไปไหนจะเอารถไปทีทั้งสามคันก็ออกไปไม่ได้แต่เราต้องดูแลรักษารถทีเดียวสามคันต้องคอยเติมน้ามันต้องคอยเอาเข้าอู่ซ่อม ต, ต้องคอยล้างต้องคอยรักษากลัวขโมยมีความทุกข์อยู่สามเท่าด้วยกันแต่ถ้าเราขายหรือเอารถสงคันที่เกินความจำเป็นนี้ไปบริจาคอาไปให้ใครก็ได้สุดแท้แต่คือให้มันพ้นจากภาระความรับผิดชอบของใจแล้วใจของเราก็จะหมดภาร ะ, ะไปอีกสองเท่าเหลือรถเกงคันเดียวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ ฉลาดแล้วเราเป็นคนที่กล้าหาญเราสามารถไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องใช้รถยนต์ได้คือนั่งรถเมย์ก็ได้เดินไปก็ได้ขึ้นแท็กซี่ก็ได้สุดแท้แต่ความสะดวกถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเราก็ขายรถไปหรือเอารถคันที่เหลือคันสุดท้ายนี้ไปบริจาคให้กับผู้อื่นก็ได้เมื่อไม่มีรถแล้วรับรองได้ว่า เราจะไม่มีความทุกข์ความกังวลกับรถยนต์คันนั้นอีกต่อไปจะไปจอดที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาทุบ ก, กระจกมีใครจะเอาตะปูมาขีดมาควนจะมีใครจะมาโขโมยรถยนต์ของเราเพราะว่าเราไม่มีแล้วนี่แหละคือความสุขของใจ ใจจะมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆก็ต่อเมื่อใจมีความว่างในใจมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ <S <S ขณะนี้ใจของพวกเราไม่ค่อยมีความสุขกันเพราะใจของเรานั้นมันไม่ว่างใจของเรานั้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับคนนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาเลยทําให้ใจของเราไม่ว่างแต่ถ้าเราตัดด้วยปัญญาเพราะเราเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้น ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิน้นล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้มีอยู่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องหมดไปหรือมีอยู่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปของใหม่วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเป็นของเก่าเป็นหนุ่มเป็นสาวในวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเป็นคนแก่คนเฒ่าขึ้นมา <c oughs> เหล่านี้เมื่อเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็ตัดใจว่าต่อไปนี้เราไม่เอาอะไรแล้ว พออยู่คนเดียวก็พอไม่ต้องมีอะไรมีเพียงแต่ปจัจจัยสี่สิ่งที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพก็พอแล้วถ้าเราทําอย่างนี้ได้ใจของเราก็จะวา่าใจของเราก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วรับรองได้ภายในใจของเรานั้นจะไม่มีความทุกข์เลยเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอาหารหันต์ ใจของท่านนั้นเป็นนิพพานังปละมังสุญญ์ยังนิพพานเป็นความว่างอันยิ่งใหญ่คือใจของท่านนั้นว่างหมดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกับอะไรหลงเหลืออยู่เลยไม่มีความอยากกับอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยจึงเป็นคำหมายของคำว่านิพพานังปรมังสุญญ์ยังใจในิพพานนี้เป็น เป็นจิตที่ว่างนั่นเองจิตที่ไม่มีการยึดติดอยู่กับอะไรทั้งสิน้นถ้ามีอะไรอยู่แม้แต่เพียงนิดเดียวภายในใจมันก็จะมีความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเราไปห่วงไปรักไปชอบกับอะไรเข้าขึ้นมามันก็จะมีความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไร เราก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งนั้นๆสังเกตดูสมบัติเข้าของของชาวบ้านเขา <Hey. S 1> เขาจะเป็นอย่างไรเราไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะใจของเราว่างจากอุปทานการยึดมั่นถือมั่นในสมบัติของชาวบ้านเขานั่นเองลูกของชาวบ้านสามีภรรยาของชาวบ้านพ่อแม่ของชาวบ้านเขาจะเป็นจารยาอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะว่าใจของเราว่างจากอุปทานการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราฉันใดสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่บุคคลต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาบุตรทิดาสามีภรรยาก็ล้วนเป็นเหมือนกันทั้งสิ้นมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเพียงแต่เราหลงไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของของเรา เมื่อมีความหลงครอบงำอยู่แล้วก็เลยทำให้เราเกิดความไม่สบายใจมีความว่วงมีความกังวลขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องนำธรรมะที่พรุทธเจ้าทรงสั่งสอนเข้ามาพิจิตพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเ <c oughs> มื่อเห็นแล้วแล้วถ้าเรายังไม่ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ภายในใจ <c oughs> เราก็จะต้องปล่อยวางเราจะต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของของเรา เมื่อเราปล่อยวางได้แล้วใจของเราก็จะว่างจากอุปทานการยึดมั่นถือมั่นเมื่อปล่อยวางและไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีเหลือเหลืออยู่ภายในใจเลยนี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาหรือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดนี้เองเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเลิ่ที่จะประเสริ ที่จะมีคุณค่าสำหรับจิตใจเท่ากับจิตใจที่ว่างจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายดังนั้นจึงขอให้เราทั้งหลายนั้นจงนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้มาปฏิบัติเพื่อเราจะได้ปล่อยวางเพื่อใจของเราจะได้ว่างเพื่อเราเพื่อใจของเราจะได้พ้นจาก ความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองเพราะไม่มีใครในโลกนี้ต้องการความทุกข์ด้วยกันและไม่มีใครจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นอกจากตัวของเราเองนอกจาก